สี่านกถาหกสบหกวาดด้วยฐานสีดสิบแักวาทีสภาวธรรมที่เป็นเจต ส, สิกเป็นฐานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจะให้สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกแก่คนอื่นๆได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีจะให้สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกแก่คนอื่นๆได้ใช่ไหมปรวาที ใช่สกาวาทีจะให้ภาษาแก่คนอื่นได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีจะให้เวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่คนอื่นๆได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น479 ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นเดจจสิกเป็นทานได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีทานมีผลไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจมีผลเร่าร้อนมีทุกเป็นกําไรมีทุกเป็นวิบากใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาที ทานมีผลหน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากมิเทศหรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากทานมีผลหน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้ สกวาตีทานพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีผลหน้าปรารถนาจีวรเป็นทานใช่ไหมประวาตีใช่ักวาตีจีวรมีผลหน้าปรารถนาหน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมประวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาตีทาน พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีผลหน้าปรารถนาบินทบาทเสนาสนะศิลานปัจจัยเภสัชบริขารเป็นทานใช่ไหมประวาทีใช่ักาวาทีคีลานปัจจัยเภสัชบริขารมีผลหน้าปรารถนาน่าใครหน่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น480ประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าธรรมเหล่านี้คือศรัทธาหิริและทานที่เป็นกุศลอันสัตบุรุษดำเนินตามแล้ว กัตตบุรษทั้งหลายกล่าวว่าทำสามประการนี้เป็นทางไปสู่เทวโลกเพราะทำสามประการนี้แหลบุคคลจึงไปสู่เทวโลกได้มีอยู่จริงมิเชฟหรือสกวาทีใช่ประวาทีดังนั้นสภาวาธรรมที่เป็นเจตสิกจึงเป็นทานได้ประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวาธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้ใช่ไหม สกวาธีใช่ปราวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายทานหาประการนี้เป็นมหาทานที่รู้กันว่าล้าเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยวงเป็นของเก่าในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันก็ไม่ถูกลบล้าง ในอนาคตก็จะไม่ถู ก, กลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านทานหาประการอะไรบ้างคือ 1. อริยสาวกในธรรมในนี้เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์อริยสาวกผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้วชื่อว่าให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนอันไม่มีประมาณนี้เป็นประการที่หนึ่งเป็นมหาทานที่รู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยวงเป็นของเก่าในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันไม่ถูกลบล้างในอนาคตก็จกไม่ถูกลบล้าง ไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดขาน 2. อ, อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมสอริยสาวกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ 5. อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท อริยสาวกผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทชื่อว่าให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณนี้เป็นทานประการที่หเป็นมหาทานที่รู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานาน รู้กันว่าเป็นอริยวงเป็นของเก่าในอดีตไม่ถูกลบปล้างแล้วไม่เคยถูกลบปล้างในปัจจุบันไม่ถูกลบปล้างในอนาคตก็จะไม่ถูกลบปล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้ขัดขานภิกษุทั้งหลายทานห้าประการ น, นี้จัดเป็นมหาทานที่รู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยวง เป็นของเก่าในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันไม่ถูกลบล้างในอนาคตก็จะไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้ขัดขานมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกจึงเป็นทานสี่อสกวาที ท่านไม่ยอมรับว่าทายาธรรมเป็นฐานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีพระสูตรที่พระพู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ยอมให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีบมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่ส ก, กวาที ดังนั้นไธยธรรมจึงเป็นฐานได้482ปรวาทีไธยธรรมเป็นฐานได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีทายธรรมมีผลหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาที ทานพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีผลหน้าปรารถนาจีวรเป็นทานใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ประวาธีจีวรมีผลที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมส ก, กวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีทานพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีผลหน้าพอปรารถนาบินธบาตเสนาสนะกิลานปัจจัยเภสัชบริขารเป็นฐานใช่ไหมสกวาตีใช่ปรวาทีกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารมีผลหน้าปรารถนาน่าใครหน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมสกวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปรวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าทายธรรมเป็นทานได้ทานกถาจบ 5. ปริโภคคมยปุญญกถา6กว่าด้วยบุญสำเร็จด้วยการบริโภค 483. รัสกวาทีบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคจเจริญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตทถาวิยาสติสมาธิปัญญาที่สําเร็จด้วยการบริโภคจเจริญได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุญที่สําเร็จด้วยการบริโภคจเจริญได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีจเจริญได้เหมือนเถาวันเหมือนเถ่าย่านทรายเหมือนต้นไม้เหมือนหญ้า เหมือนกองหญ้าปล้องใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นซีร้อยกวาทีบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคจเจริญได้ใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีทายกถวายทานแล้วไม่ไฝ่ใจทานนั้นเป็นบุญใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีทานของผู้ไม่นึกถึง ผู้ไม่ขวนขวายผู้ไม่สนใจผู้ไม่ใฝ่ใจผู้ไม่จงใจผู้ไม่ต้องการผู้ไม่ปรารถนาเป็นบุญใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทางของผู้นึกถึงผู้ขวนขวายผู้สนใจผู้ใฝ่ใจผู้จงใจผู้ต้องการผู้ปรารถนาเป็นบุญมิใช่หรือปรวาทีใช่ สักวาทีหากทางของผู้นึกถึงผู้ขนขวายผู้สนใจผู้ใฝ่ใจผู้จงใจผู้ต้องการผู้ปรารถนาเป็นบุญท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้สี่ร้สักวาทีบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาที ้ายกถวายทานแล้วตรึกถึงกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกทานนั้นเป็นบุญใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหม ปราวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประนีที่เป็นฝ่ายดาเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีสภาวธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและที่ประนีที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ศักกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินตีอย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินตีอย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง ท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเลอะเกินอย่างที่ 1. 2. ฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของทะเลนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเลอกเกินอย่างที่สองจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับจุดที่ดวงอาทิตย์ตกตนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเลอกเกินอย่างที่ส 4. ธรรมของสัตว์ตบุรุษคน ด, ดีกับธรรมขอ ง, อรรของอสัต์ตบุรุษคนชั่ว นี่เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่สีพิกษุรทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างนี้แตนักปราชทั้งหลายกล่าวว่าฟ้ากับดินอยู่ไกลกันฟังทั้งสองของทะเลอยู่ไกลกันจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกก็อยู่ไกลกันบันณฑิตกล่าวว่าธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษอยู่ไกลกันยิ่งกว่านั้น สมาคมของสัตบุรุษยังยืนนานดำรงอยู่ตราบนานเท่านานส่วนสมาคมของอสัตบุรุษยอมจืจางเร็วเพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษจึงห่างไกลกันกับธรรมของอสัตบุรุษมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สักวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ 486. ประวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมักกวาทีใช่ประวาทีพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าชนเหล่าใด ปลูกสวนอันรื่นรมปลูกปลาสร้างสะพานขุดจะน้ำบ่อน้ำและให้ที่พักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมเป็นผู้ไปสู่สวรรค์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือตกรวาทีใช่ประวาทีดังนั้น บุญที่สําเร็จด้วยการบริโภคจึงจเจริญได้ประวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าบุญที่สําเร็จด้วยการบริโภคจเจริญได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีประสูนที่พระพุทธมีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลสี่ประการนี้นําสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกือ้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจห่วงบุญกุศลสประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุใช้สยจีวรของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาหน้าใครน่าพอใจ 2. ภิกษุชันบินทบาทของทายกใด 3. ภิกษุใช้สอยเสนาสะนะของทายกใด 4. ภิกษุบริโภคกิฬานปัจจัยเพศสัชบริขารของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ พวกบุญกุศลของทายกนั้นหาประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายพวงบุญกุศลสประการ น, นี้แหละนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคจึงเจริญได้487สกวาทีบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคจจเจริญไ ด, 7, ญ ด, รรได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สักว่าทีทายกถวายทานปฏิฆาหกรับทานแล้วไม่บริโภคทิ้งเสียสละเสียทานนั้นเป็นบุญใช่ไหมประวาทีใช่สักว่าทีหากทายกถวายทานปฏิคาหกรับทานแล้วไม่บริโภคทิ้งเสียสละเสียทานนั้นเป็นบุญท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุญที่สําเร็จด้วยการบริโภคจเจริญได้ สักว่าทีบุญที่สําเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมประวาทีใช่สักว่าทีทายกถวายทานพระราชาทรงบริบไปเสียโจรลักไปไฟไหม้น้ําพัดไปหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักกันนําไปเสียทานนั้นเป็นบุญใช่ไหมประวาทีใช่สักว่าทีหากายกถวายทาน เมื่อปฏิฆาหกรับทานแล้วพระราชาทรงริบไปเสียโจรลักไปไฟไหม้น้ำพัดไปหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักกันนำไปเสียทานนั้นเป็นบุญท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ปริโภคคัมยบุญยกถาจบ 6. อิโตทินกถา68 ว่าด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้488สกวาทีเปรตทั้งหลายดํารงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีในเปตโลกนั้นเปรตทั้งหลายใช้สอยจีวรที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีในเปตโลกนั้นเปรตทั้งหลายบริโภคปินทบาศเสนาสะนะกีฬาปัจจัยเภสัตชบริขารของขบเคี้ยวของกินของดื่มที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเปรตทั้งหลายดำรงชีพในเปตโลกนั้น ด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโรกนี้ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลหนึ่งกระทําให้อีกบุคคลหนึ่งสุขและทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลหนึ่งกระทําอีกบุคคลหนึ่งเสวยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส89ปปรวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่า เบรศทั้งหลายดํารงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมักกวาทีใช่ปรวาทีเปรศทั้งหลายอนุโมทนาทานที่เขาอุทิศให้เพื่อประโยชน์แก่ตนทำจิตให้เลื่อมใสให้เกิดปีติได้โสมนัสมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาที หากเปรตทั้งหลายอนุโมทนาทานที่เขาอุทิศให้เพื่อประโยชน์แก่ตนทำจิตให้เลื่อมใสให้เกิดปีติได้โสมนัสดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเปรตทั้งหลายดำรงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้4ีร้อยเก้าสิบประวาทีท่านไม่ยอมรับว่า เบรศทั้งหลายดำรงชีพในเปตะโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมศักกวาทีใช่ประวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าฝนที่ตกลงบนที่ดอนยอมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษย์โลกนี้ยอมสําเร็จผลแน่นอนแก่ผู้เปรศฉันนั้นเหมือนกัน พ่วงน้ำที่เต็มย่อมยังมตมหนสากรให้เต็มเปี่ยมฉันใดทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษย์สโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่พวกเปรตชันนั้นเหมือนกันในเปตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมโครักกรรมพาณิชกรรมเช่นนั้นและการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเปรตในเปตวิสัยนั้น ดำรงชีพด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษย์สยโรคนี้มีอยู่จริงไมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นเปรตทั้งหลายจึงดํารงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้491ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าเปรตทั้งหลายดํารงชีพในเปตโลกนั้น ด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จกโรกนี้ได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะห้าประการนี้จึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลฐานะห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่ง บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจากเลี้ยงเรา 2. บุตรจักช่วยทํากิจของเรา 3. วงตระกูลจากดํารงอยู่ได้นาน 4. บุตรจักปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกไว้ 5. เมื่อเราทั้งสองตายไปบุตรจักทําบุญอุทิศให้ภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ5ประการนี้แล จึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลมารดาบิดาผู้ชาราเมื่อเห็นฐานะห้าประการจึงปรารถนาบุตรด้วยหวังว่าบุตรที่เราเลี้ยงแล้วจกเลี้ยงเราจะช่วยทากิจของเราวงตระกูลจกดํารงอยู่ได้นานจากปฏิบัติตนให้สมควรแก่การรับทรัพย์มรดกและเมื่อเราทั้งสองตายแล้วจกทาบุญอุทิศให้ มารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะเหล่านี้จึงปรารถนาบุตรเพราะฉะนั้นบุตรผู้เป็นสัตตบุรุษผู้สงบเป็นกตัญญูกะตะเวทีบุคคลเมื่อประลึกถึงคุณท่านที่ทําไว้ต่อเราก่อนจึงเลี้ยงมารดาบิดาช่วยทํากิจของท่านเชื่อฟังโอวาตอบสนองพระคุณท่านดํารงวงตระกูล สมกับที่ท่านเป็นบุพการีบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่สรรเสริญมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสักวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นเปรตทั้งหลายชื่อว่าย่อมดำรงชีพในเปตรโรกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้อิโตทินคกถาจบเจ็ ปทวีกรร ม, มวิปาโกติกถา 6.9 ว่าด้วยแผ่นดินเป็นกรรมวิบาก492สกวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีแผ่นดินมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมะสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา สัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาสัมปยุตด้วยผัสสะสัมปยุตด้วยเวทนาสัมปยุตด้วยสัญญาสัมปยุตด้วยเจตนาสัมปยุตด้วยจิตรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความสนใจมีความใฝ่ใจมีความจงใจมีความปรารถนามีความตั้งใจใช่ไหม ประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาตีแผ่นดินไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาไม่มีอทุกขมะสุขเวทนาไม่สมประยุทธ์ด้วยสุขเวทนาไม่สำปรยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาไม่สัมประยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาไม่สมประยุทธ์ด้วยผัสสะไม่สัมประยุทธ์ด้วยเวทนาไม่สัมประยุทธ์ด้วยสัญญาไม่สำปรยุทธ์ด้วยเจตนา ไม่สัมปะยุทธ์ด้จิตรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความผูกใจไม่มีความสนใจไม่มีความใฝ่ใจไม่มีความปรารถนาไม่มีความตั้งใจมิใช่หรือประวาทีใช่สักวาทีหากแผ่นดินไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึง ไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิบากสักวาทีผัสสะเป็นกรรมวิบากผัสสะมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมะสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยผัสสะสัมปยุทธ์ด้วยเวทนา สัมปยุทธ์ด้วยสัญญาสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาสัมปยุทธ์ด้วยจิตรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากแผ่นดินมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสัมปยุตด้วยอทุกขมรสุขเวทนาสัมปยุตด้วยผัสสะสัมปยุตด้วยเวทนาสัมปยุตด้วยสัญญาสัมปยุตด้วยเจตนาสัมปยุตด้วยจิตรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความสนใจมีความใฝ่ใจมีความจงใจมีความปรารถนา มีความตั้งใจใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากทั้งๆ ท, ที่แผ่นดินไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีผัสสะเป็นกรรมวิบากทั้งๆที่ผัสสะไม่มีสุขเวทนา ไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแผ่นดินเข้าถึงการยกย่องและการลงโทษเข้าถึงการตัดและการทําลายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที กรรมวิบากเข้าถึงการยกย่องและการลงโทษเข้าถึงการตัดและการทำลายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีแผ่นดินบุคคลจะซื้อจะขายจะจำนองจะรวบรวมจะตั้งสมได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมวิบากบุคคลจะซื้อจะขายจะจำนองจะรวบรวม จะสังสมได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส9 3กสกวาทีแผ่นดินเป็นสมบัติทั่วไปแก่คนเราอื่นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมวิบากเป็นสมบัติทั่วไปแก่คนเราอื่นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมวิบากเป็นสมบัติทั่วไปแก่คนเราอื่นใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าขุมทรัพย์คือบุญไม่ทั่วไปแก่คนอื่นโจรลักไปไม่ได้สัตว์ผู้จะต้องตายเป็นธรรมดาพึงทาบุญผู้นั้น แ, แลพึงประพฤติสุจริตมีอยู่จริงม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้น ท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ากรรมวิบากเป็นสมบัติทั่วไปแก่คนอื่นสกวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแผ่นดินเกิดขึ้นก่อนสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นในภายหลังใช่ไหมปรวาทีใช่ <distraction> สกวาทีวิบากเกิดขึ้นก่อนสัตว์ทั้งหลายจึงทํากรรมเพื่อวิบากในภายหลังใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากของสัพพสัตวใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีสรพพสัตว์อาศัยแผ่นดินใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสรพพสัตว์อาศัยแผ่นดินใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีสัตว์บางพวก อาศัยแผ่นดินแล้วปรินิพานมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ักกวาทีสัตว์บางพวกใช้กรรมวิบากยังไม่หมดสิ้นแล้วปรินิพานมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากของพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสัตว์เหล่าอื่นก็อาศัยแผ่นดินใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์เหล่าอื่นอาศัยกรรมวิบากของพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์เหล่าอื่นอาศัยกรรมวิบากของพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์เหล่าอืนาา่นอาศัยผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาะจิตศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญาของพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น494ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิบากใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีอยู่มิใช่หรือ สกวาตีใช่ปรวาตีหากรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิบากปฐวีกรรมวิปากโกติกถาจบ8ชารามารรนังวิปากโกติกถาเจสว่าด้วยชารามรรณะเป็นวิบาก 495ร้กสกวาทีชรามรณะเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชรามรณะมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขธรมสุขเวทนาสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสัมปยุตด้วยอะทุกขธรมสุขเวทนาสัมปยุตด้วยภัสสะสัมปยุตด้วยเวทนา สัมปยุทธ์ด้วยสัญญาสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาสัมปยุทธ์ด้วยจิตรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความสนใจมีความใฝ่ใจมีความจงใจมีความปรารถนามีความตั้งใจใช่ไหมประวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาที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 ชรามรณะเป็นวิบากสกวาทีพัสสะเป็นวิบากพัสสะมีสุขเวทนามีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชรามรณะเป็นวิบากชรามรณะมีสุขเวทนามีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ได้ มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชารามรณะเป็นวิบากชารามรณะไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีภัฏะเป็นวิบาก พัรษะไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น496กสกกวาทีชารามรณะแห่งตภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็เป็นวิบากแห่งตภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาที ชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลมีอยู่ท่านก็ไม่ยอมรับว่าเป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมประวาทีใช่สักวาที เจรามรณะแห่งสภาบธรรมที่เป็นอกุศลมีอยู่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นวิบากแห่งสภาบธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเจรามรณะแห่งสภาบธรรมที่เป็นกุศลเป็นวิบากแห่งสภาบธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีชรามรณะแห่งสภาบธรรมที่เป็นอกุศล เป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่อยู่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่อยู่ท่านไม่ยอมรับว่า เป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศ wow ล เป็นวิบากแห่งสภาะธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งสภาะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมีอยู่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นวิบากแห่งสภาะธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชรามรณะแห่งสภาะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมีอยู่ ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นวิบากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น497ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าชรามรณะเป็นวิบากใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาทีกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีผิวพันธุ์หมุนหมองกรรม ที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุสั้นมีอยู่ใช่ไหมจักรวาทีใช่ประวาทีหากกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีผิวพันธมนหมองกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุสั้นมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าชรามรณะเป็นวิบากชรามรนังวิปากโกติกถาจบเก้า อริยธรรมวิปากกัถาเจอว่าด้วยวิบากแห่งอริยธรรม498รกสกวาทีวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความเป็นสมณะมีผลมากความเป็นพราหมณ์มีผลมากมีเชพหรือปรวาทีใช่สกวาที หากความเป็นสมณะมีผลมากความเป็นพรามมีผลมากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีสกวาทีวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปฏิผลมีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากโสดาปฏิผลมีอยู่ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีสกวาทีสกท า, าคารมิผลอนาคามิผลอรหัตตผลมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอรหัตตผลมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีสกวาทีโสดาปฏิผลไม่เป็นวิบากใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีผลแห่งทานไม่เป็นวิบากใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดาปฏิผลไม่เป็นวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีผลแห่งศีลผลแห่งเวทนาไม่เป็นวิบากใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที สกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลไม่เป็นวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีผลแห่งทานไม่เป็นวิบากใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรหัตผลไม่เป็นวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีผลแห่งศีลผลแห่งเวทภาวนา ไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผลนแห่งทานเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปฏิผนเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผลนแห่งทานเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที สกทาคามิผลอน า, าคามิผลอรหัตผลเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผลแห่งจีนผลแห่งภาวนาเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปฏิผลเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ผลแห่งภาวนาเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น499สกวาทีกามาวจรกุศลมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีโลกุตระกุศลมีวิบากใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลมีวิบากใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีโลกุตระกุศลมีวิบากใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที โลกุตระกุศลไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามาวจรกุศลไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลกุตระกุศลไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลไม่มีวิบากใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อปรวาทีกามาวจรกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีโลกุตระกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิใช่ไหมสกวาที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 ประวาทีโลกุตรกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีกามาวจรกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีโลกุตรกุศสมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใช่ไหม สกาวาธีใช่ปรวาทีรูปราวจรกุศลอรูปราวจรกุศลมีวิบากเป็นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอริยธรรมะวิปากะกัถาจบส0วิปากโกวิปากธรรมะธรรมโมติกถา 72. ว่าด้วยวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก5 0าอยเสกวาทีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิบากแห่งวิบากนั้นเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิบากแห่งวิบากนั้น เป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีการทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดจากวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพานก็ไม่มีแกวิบากแห่งวิบากที่เป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักาวาทีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สักาวาทีบัญญัติว่าวิบากกับสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหรือบัญญัติว่าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากกับวิบากนี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวา ธ, วาาธีวิบากและสภาวธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบากสภาวธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบากและวิบากสหรคตเกิดร่วมประคนสัมปยุตเกิดพร้อมดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิบากเป็นสภาบธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีอกุศลกับวิบากแห่งอากุศลเป็นอันเดียวกันกุศลกับวิบากแห่งกุศลเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิบาก เป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลถูกไม่อยู่ในนรกด้วยจิตดวงที่เป็นเหตุฆ่าสัตว์เท่านั้นบันเทิงอยู่ในสวรรค์ก็ด้วยจิตดวงที่เป็นเหตุให้ทานเท่านั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าสองปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าวิบาก เป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีวิบาก ค, คืออรูปขนันธ์สี่เป็นอัญญมัญญปัจจัยไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากวิบาก ค, คืออรูปขนันธ์สี่เป็นอัญญมัญญปัจจัยดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก วิปากโกวิปากธรรมะธรรมโมติกถาจบสัตตมวัคจบรวมกถาที่มีในวักนี้คือ 1. สังคหิตกถา 2. ส, สัมปยุตตาาถา 3. เจตสิกกถาสธทานากถา 5. ปริโภคคมยปุญญกถา 6. อิโตธินกคถา เจ็ดปฐวีกรร ม, มวิปากติกถาแปดชรามรนังวิปากติกถา 9. ก้าอริยธรรมวิปากากถาสิบวิปากวิปากธรมธรมธรโมติกถา